เรื่องที่14นินทากาเรนินทากาเรเหมือนเทน้ําที่โบราณว่าไว้เราก็รู้แล้วก็เชื่อว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆคือคํานิทานเป็นสิ่งที่หาสาระไม่ได้แต่ก็อย่างว่าอย่นั่นแหละทั้งๆงที่รู้ทั้งๆที่เชื่อพอได้ข่าวว่ามีใครไปแอบนินทาเราเข้าใจก็ชักหุ่นวายเอาเหมือนกัน อยากจะรู้ว่าหน้าไหนมันเป็นนินทาเราและมันเอาเรื่องอะไรของเราไปนินทาทั้งที่แม้ว่ารู้แล้วเราจะได้ผลประโยชน์ขึ้นก็เปล่าคานินทาเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทําลายความสงบใจคือพอรู้ว่ามีใครเอาเรื่องของเราไปนินทาเราจะรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาทันทีและทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นว่าคนที่นินทานั้นเป็นศัตรูกันทีเดียว ความรู้สึกเช่นนี้ได้มีอยู่เป็นประจำใจของมนุษย์ทุกรูปทุกนามหากเป็นคนที่มีสติสัพชัญญาสมบูรณ์อย่างสามัญชนวิธีหาความสงบในเรื่องนี้คล้ายๆกับเรื่องคัมติที่ได้เสนอมาแล้วในบทที่5จะต่างกันอยู่บ้างก็เพียงเล็กน้อยนั่นคือการศึกษาให้รู้เรื่องของการนินทาเสียให้ถ่องแท้พูดอย่างภาษาตลาดจริงๆก็ต้องพูดว่า พยายามให้รู้จักโคตรเง่าของคำลินทาเสียแล้วเราก็จะสบายใจเองเจ้าพวกคำพูดต่างๆที่มาเข้าหูเรามันก็เหมือนกับผู้คนเหมือนกันคือมันมีโคตรเง่าสกลาดไม่เหมือนกันอย่างเช่นคนที่เดินผ่านมาหน้าบ้านเราบางคนอาจจะตะโกนด่าเราก็ได้แต่ถ้าเรารู้เสียแล้วว่าอีตาคนที่ด่าเรานั้นความจริงแกเป็นบ้า เท่านี้มันก็หมดเรื่องที่มันเป็นเรื่องมากก็เพราะเราไม่รู้เรื่องของคนนินทานั้นอธิบายง่ายกว่าเรื่องคำติเป็นไหนๆหจริงอยู่ติกับนินทามันก็พวกเดียวกันถ้าเป็นผู้เป็นคนก็คงจะเป็นสังขยาตพี่น้องอันเดียวกันแต่ว่านิสัยสันดานไม่เหมือนกันติยังมีแยกประเภทได้มีติดี ต, ติชั่วติยังพาน ติอย่างบัณฑิตคำมินั้นบางทีเราได้มาเยอะๆแล้วยังอาจนำมาเลือกใช้การให้เป็นประโยชน์ได้บ้างเหมือนนักร่อนทองเขาโกยโคลนขึ้นมาใส่ตะแกรงแล้วก็ร่อนดูยังอาจได้เศษเงินเศษทองมาขายกินแต่เรื่องนินทาไม่มีที่จะเป็นสาระประโยชน์อย่างนั้นเลยเหลวทั้งสิ้นเหลวมาตั้งแต่ในหัวใจของคนนินทา จนกระทั่งถึงสุดทางระเหยของคำนินทาทีเดียวเพราะฉะนั้นผมถึงได้บอกว่าอธิบายไม่ยากถ้าจะยากก็เรื่องการฝึกใจของเราเท่านั้นเพราะเรายังเป็นปุถุชนยังถือเราถือเขาอยู่คำนินทาก็เล่นงานได้แต่ถ้ารู้เรื่องเสียแล้วก็ค่อยอยางชั่วว่าถึงรากเงาของคำนินทาก่อนคำว่านินทานี้ออกมาจากศั์ว่า นินทิแปลว่าไหลไปอย่างเช่นน้ำไหลก็คือน้ำนินทานั่นเองแต่เราไม่นิยมว่าเราเอาคำว่านินทิมาเป็นคุณบดของวาจาศัพท์ก็เลยกลายเป็นว่านินทาวาจาแปลว่าวาจาที่ไหลไปเวลาเราพูดสันส้นๆเราพูดว่านินทาเฉยๆซึ่งเป็นที่รู้กันว่า หมายถึงคำพูดประเภทนี้น้ำที่ไหลไปตามแม่น้ำลากลองนั้นมันซ้ะเอาทุกสิ่งทุกอย่างติดไปด้วยบรรดาของโสโครกทั้งหลายขี้เป็ดขี้ไก่ไหลาจากบ้านโนนมาสู่ตำบล น, นั้นซาะจากตำบล น, นั้นเข้าเมืองนี้และน้ำไหลนั้นเอาอะไรเป็นจริงเป็นจังไม่ได้ไม่รู้ว่ามันเป็นน้ำของใครแน่น้ำจำนวนนี้เมื่อเช้าอยู่เมืงนองโนน พอสายหน่อยมาโปรดที่บางกระเบือเที่ยงอยู่ที่ท่าเตียนบ่ายอยู่ถนนตกพอเย็นที่เสนอหน้าอยู่น้อนพระประแดงนี่แหละที่ว่าน้ำไหลไม่ใช่ของใครถ้าใครขืนถือมัน่นเอาเป็นจริงเป็นจังกับน้ำไหลประเดี๋ยวก็ได้ช้ำใจตายคํานินทาก็เหมือนกันตัวคนนินทาคนอื่นนั่นเองก็เหมือนกับน้ำไหล so เอาสิ่งปฏิกูลบ้านนี้เข้าบ้านนั้นออกจากบ้านนั้นเข้าบ้านโน้นเอาเป็นจริงเป็นจังไม่ได้คนขี้นินทาจึงไม่ใช่คนของใครแน่นอนใครยึดถือเอาเป็นมิตรอันสนิทไม่ได้เหมือนกับน้ำไหลนั่นเองเวลาเอาเรื่องของคนอื่นมานินทาให้เราฟังก็พยายามกระซิบกระซาบเหมือนกับว่าเขาไว้ใจแกเราคนเดียวเท่านั้นในโลกนี้ และอย่าให้เราได้นำเรื่องนั้นไปบอกใครๆอีกเป็นนั้นขาดแต่ความจริงเปล่าเมื่อนำเรื่องเดียวกันไปนินทาที่อื่นก็ทำเหมือนกันและที่แปลกที่สุดก็คือเอาเรื่องไม่ดีของเราบวกเข้าไปนินทาเสียอีกด้วยไอ้ที่กระซิบกระซาบกัเราว่าแล้วอย่าไปบอกใครเป็นนั้นขาดก็ไม่ใช่เรื่องอื่นกลัวว่าเราแย่งเอาเรื่องนั้นไปนินทาเสียเอง แล้วตัวเขาจะหมดทางหากินเท่านั้นใจของคนนินทาเป็นใจที่น่าสงสารเพราะการนินทาจะต้องสาธยายเรื่องความเสียหายของคนอื่นยิ่งเป็นเรื่องเน่าเรื่องเสียร้ายแรงเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะฉะนั้นผู้บาเพ็ญตัวเป็นนักนินทาจะต้องบังคับใจตัวเองให้จดจำแต่เรื่องเสียเสียหายหายทั้งสิน้นภายในหัวใจนั้น ถ้าหากเป็นที่ภายนอกก็คงจะมีลักษณะเหมือนถังของเทศบาลหรือเหมือนที่ที่คนห ล, หลายๆบ้านเอาสิ่งปฏิกูลไปเทกองไว้อย่างนั้นเองเขาจะต้องเอาเรื่องทํานองนี้ไว้มากๆเพื่อให้เพียงพอที่จะนินทาได้อย่างกว้างขวางคำนินทาที่หลุดออกมาจากแต่ละเรื่องนั้นจึงเท่ากับมแมลงวันที่บินออกมาจากกองขยะเท่านั้นเองไม่ได้มีสักสีอะไรเลย โดยการที่เราจะถือเอาเป็นจริงเป็นจังแต่ถ้าเราเป็นฝ่ายรับฟังคำนินทาของคนอื่นก็อยา่าเผลอไปเชื่อเอาเป็นจริงเป็นจังเป็นอันขาดเพราะเรื่องนินทาทุกเรื่องผสมด้วยคำโกหกทั้งนั้นส่วนมากโกหกมากกว่าจริงอีกอย่างหนึ่งการหาความสงบใจเมื่อถูกเก่านินทาก็ต้องคิดอย่างที่พระศาสดาของเราทรงสอนไว้ว่าคานินทาเป็นของเก่า เป็นของมีประจำโลกมาช้านานแล้วในคำนินทานั้นไม่มีคำใดใหม่เลยคำนินทาคำเดียวกันนี้ได้มีคนเอาใช้นินทาคนอื่นมาแล้วไม่รู้ว่ากี่แสนกี่ล้านครั้งคำนินทาทุกคำกว่าจะมาถึงเรามันจืดหมดแล้วเรื่องนินทาขอเสนอเพียงเท่านี้แล้วก็ขอประทานโทษด้วยถ้าหากว่าคำพูดมันแสลงหูไปบ้าง เพราะจุดหมายของเรื่องนี้อยู่ที่ช่วยให้ท่านผู้สนใจปฏิบัติให้เกิดความสงบไม่ใช่พูดฟังกันเล่นๆ เ, เพราะการพูดการเขียนเพื่อผลทางปฏิบัติโดยตรงเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นคือต้องชี้กันถึงตัวมัว อ, อมขอมไม่ได้ท่านที่พบกับความไม่สงบในใจเรื่องใดๆที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้อาจเปิดขึ้นอ่านแล้วก็ เห็นผลในปัจจุบันทันที